จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันใกล้สิ้นวันสิ้นปีวันสุดท้ายของปี คือวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะว่าบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้สิ่งอื่นนี้เราเอาไปไม่ได้เอาไปได้ก็บุญหรือบาปที่เราทํำอยู่ในขณะนี้ดังจึง รีบขวนขวายมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะว่าวันเวลาจะค่อยหมดไปหมดไปอย่างปีนี้ก็เหลืออีกสองวันก็จะหมดไปชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราก็หดเข้ามาหดเข้ามาวันเวลาที่จะเหลืออยู่ ให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆพ ร, ระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้พวกเราประมาทกันโดยให้เราคิดเสมอว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราถ้าเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราจะได้ไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นให้เสียเวลาไปเปล่าๆ เราก็จะรีบมาขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายจริงหรือไม่สำหรับบางคนเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะต้องจากโรคนี้ไปแล้วอยู่ๆก็จากไปกระทันหันทันทีทันใด เพราะว่าเรื่องของความเป็นความตายนี้ไม่มีใครไปรับประกันได้ว่าจะอยู่กันถึงอายุเท่าไหร่บริษัทประกันชีวิตเขาไม่ได้ประกันชีวิตเขาประกันผลประโยชน์ของผู้ที่เสียชีวิตเช่นคนที่เสียชีวิตไปเขาก็รับประกันว่าเงินทองก้อนหนึ่งของคนนี้จะตกไปเป็นของ คนอื่นต่อไปได้แต่เรื่องการประกันชีวิตประกันว่าจะอยู่ถึง80ปี90ปี100ปีนี้ไม่มีใครรับประกันได้อยงนั้นเราจึงไม่ควรประมาทกันอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ถึงอายุ80 90ถึง100ปีไว้รอให้เราแก่ก่อนแล้วค่อยมาสร้างบุญสร้างกุศลกัน เพราะถ้าเกิดเราไม่ได้แก่จะทำอย่างไรเกิดเราจะตายไปในวันนี้หรือพรุ่งนี้เราก็จะไปแบบมือเปล่าๆไปแบบขอทานไปแบบยากจนไปแบบหิวกระหายไปแบบทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าเราคอยสร้าง กุศลอยู่เรื่อยๆสร้างบุญอยู่เรื่อยๆเราไปเราก็จะไปแบบเศรษฐีไปอย่างสุขอย่างสบายไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเหมือนคนที่มีสตางในช่วงปีใหม่นี้เขาก็จองตั๋วเครื่องบินเพื่อจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพวกเราก็ควรรีบจองตั๋วเครื่องบินของเรา ที่เราจะได้ไปท่องในเมืองสวรรค์กันถ้าเราไม่มีตัว๋วถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางเราก็ไม่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวในแดนสวรรค์ได้ดังนั้นขอให้เราคิดว่าโลกนี้เป็นที่อาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นเหมือนที่พักแรมเป็นเหมือนโรงแรมที่เราไปาพักอยู่เพื่อเราจะได้ไปทำภารกิจที่เราต้องไปทำ เช่นเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปเพื่อไปทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะไม่ไปสนใจกับการสะสมสิ่งของต่างๆเอามาเก็บไว้ที่โรงแรมให้เสียเวลาให้เสียประโยชน์ไปปปล่าๆเพราะเวลาเราเสร็จธุระเราเราต้องออกเดินทางเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปนอกจากกระเป๋าที่เราหิวมาเท่านั้นเอง ขอให้เรามองโลกนี้ว่าเป็นที่พักชั่วคราวอย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นของชั่วคราวเวลาเราตายไปแล้วเราเอาไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะาติดตัวไปได้ก็คือบุญและบาปเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทำบุญละบาปกันเพราะว่าบาปนี้เป็นโทษเป็นอันตราย เป็นเหมือนที่เป็นเหมือนกับการทำผิดกฎหมายถ้าเราทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกจับลงไปลงโทษจับไปขังในคุกในตารางหรือจะไปประหารชีวิตถ้าเราทาผิดกฎหมายร้ายแรงเช่นใดชันใดการกระทำบาป ก, ก็เป็นการกระทำผิดกฎระเบียบของกรรมกรรมนี้มีมี มีกฎให้เราทำความดีกันเพื่อเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไม่ทำบุญไม่ทำความดีกันเราไปทำบาปกันเราก็จะต้องไปใช้บาปในอบายต่อไปโดยเฉพาะเวลาที่เราหลงกับการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เรามักจะต้องทำบาปกันเพราะเราอยากได้เงินทอง อยากได้ข้าของอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกริ่นกายก็เลยทำให้เราไม่กลัวบาปกันเวลาที่เราต้องทำบาเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะกล้าทำกันเพราะเราไม่คิดว่ามีผลของบาปตามมานั่นเองเราคิดว่าตายแล้วก็จบตายแล้วก็หมดไม่มีผลตามมา แ ต, แต่ความจริงแล้วเราไม่รู้ว่าที่จบนี้เพียงจบเพียงครึ่งเดียวสิ่งที่จบก็คือร่างกายร่างกายนี้จบแน่ๆเมื่อตายไปแล้วเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปแต่ใจนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของเราเป็นอีกส่วนเป็นส่วนที่สำคัญของเรา เป็นส่วนที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเราไม่รู้ความจริงของใจนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่สามารถรู้เรื่องของใจได้ดีแล้วสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับใจได้อย่างสูงสุดด้วยการตัดการกระทำบาปทั้งหมดด้วยการตัดความอยากทั้งหมด จึงทำให้พระองค์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรพระองค์จึงนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเรายัางไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงอันนี้ได้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนเชื่อคำสอนที่สอนให้เราหยัดไม่ให้ตั้งอยู่ในความปะมาร ให้เราเระลึกเสมอว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะไปหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้และสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเรา เวลาที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่จะดับความทุกข์ใจให้กับเราได้เวลาที่เราจะตายจากโลกนี้ไปก็คือบุญกุศลนี่แหละขอให้เราทำไปเถอะแล้วบุญกุศลนี่จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันกระสุนเวลาเขายิงปืนใส่เราก็จะไม่เข้าไปที่เนื้อเราไม่เข้าไปที่ตัวเราจะติดอยู่ที่เกราะกันกระสุน สัในใดถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วทุกทั้งหลายจะไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในใจของเราได้เวลาตายก็ตายอย่างสบายเหมือนกับไม่ได้ตายอยู่กับตายเท่ากันสำหรับคนที่มีบุญมีกุศลเพราะว่าจะมีความสุขตลอดเวลาอยู่ก็สุขตายก็สุขแต่คนที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลนี้เวลาอยู่ก็ทุก เวลาตายก็ทุกข์ทุกข์ด้วยความอยากต่างๆนี่เองเวลาอยู่ก็ทุกข์กับสิ่งนั้นสิน่งนี้อยากได้สิ่งนั้นสิน่งนี้เวลาจะตายก็ทุกข์กับความไม่อยากตายก็เลยทำให้มีแต่ความทุกข์ทั้งหนาในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่จะตายไปแต่ถ้าเราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆแล้ว ความอยากต่างๆของเราจะหายไปเพราะว่าใจของเราได้รับความอิ่มได้รับอาหารอาหารที่จะทำให้เราไม่มีความอยากเหมือนกับร่างกายถ้าร่างกายได้รับประทานอาหารอย่างสม่าเสมอร่างกายก็จะไม่อยากรับประทานอะไรแต่ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารดูสักมื้อหนึ่งเราจะเห็นความอยากรับประทานอาหารนี้ โผล่ขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยฉันใดใจของเราก็เหมือนกันตอนนี้ใจของพวกเราขาดอาหารมันจึงมีความอยากอ ย, กอยู่ตลอดเวลาอยากได้สิ่ง น, นั้นอยากได้สิ่ง น, นี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ทำตามความอยากแล้วแทนที่จะหายอยากกับไม่กับไม่หายกับไม่อิ่มเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้ไม่ใช่เป็นอาหารของใจ อาหารของใจมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ <c oughs> คือบุญกุศลนี่พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราทำบุญกันเพื่อเราจะได้มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจที่จะทำให้เราไม่หิวโหวยไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามใครจะทำอะไรดีหรือชั่วก็จะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเรามีบุญกุศลเป็นเกาะคุ้มครองใจของเราดัง น, นั้นขอให้พวกเราพยายามมาทำบุญ <c oughs> ทำกุศลกันให้มากๆเพราะว่าเวลาของเรานี้มันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่ ให้เราคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังสร้างบุญสร้างกุศลกันอยู่หรือเปล่าเรากําลังละบาปกันอยู่หรือเปล่าเรากําลังชาระใจของเราให้สะอาดหมดจดอยู่หรือเปล่าเพราะนี่คืองานของเราและเป็น ผลงานไปผลงานที่จะได้รับจากงานนี้ก็เป็นประโยชน์สุขที่แท้จริงไม่เหมือนกับประโยชน์สุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เวลาเราจะเวลาเราเจ็บเวลาเราตายสิ่งต่างๆในโลมนี้ไม่สามารถคุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้เลยแต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วเราจะมี สิ่งที่จะมาคุ้มครองจิตใจของเราให้อยู่อย่างปกติสุขไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดื อ, รอดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายนี่คือหน้าที่ของเราพวกเราทุกคนต้องการอะไรพวกเราทุกคนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์กันแต่การกระทำของเราพวกพวกเราทุกวันนี้มันไม่ได้นาไปสู่จุดหมายอันนั้น การกระทําทของเรานี้กลับไปสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นทําลายความสุขให้มีน้อยลงไปเพราะเราไม่ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองถ้าเราทําตามแล้วความสุขจะมีมากขึ้นความทุกข์จะมีน้อยลงไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสั้นลงไปจะน้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุดนี่แหละคือ ผลที่เราจะได้รับถ้าเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทําตามคําสอนความทุกข์ของเราก็จะมีอยู่ต่อไปและมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความสุขของเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะยืดยาวออกไปอีกเรื่อยๆนี่คือเรื่องของ การกระทำของพวกเราเราจึงต้องคอยตรวจสอบดูการกระทำของเราอยู่เรื่อยๆด้วยการถามเราเกิดเินขึ้นมาก็ถามเลยว่าผ่านไปอีกวันแล้วเราได้ทำอะไรบ้างเมื่อวานนี้เราได้ทำบุญหรือเปล่าเมื่อวานนี้เราได้ระบาปหรือเปล่าเมื่อวานนี้เราได้ชำระกำจัดความอยากไปหรือเปล่าให้ถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ได้ทำเราจะได้ตื่นตัวเองสอนตัวเองบอกตัวเองว่าต้องทำเดี๋ยวไม่ทำแล้วจะลำบากเหมือนกับเราไม่ต้องถามว่าวันนี้ได้รับประทานอาหารหรื อ, อยังเพราะเรารับประทานอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องมีใครมาเตือนมาสอนขอให้เราทำบุญละบาํารจใจให้เหมือนกับการรับประทานอาหารเถิด แล้วชีวิตของเราจะไม่มีวันตกต่ำชีวิตของเราจะไม่มีความเสื่อมจะไม่มีความวุ่นวายจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวจะมีการความสุขอยู่เพียงอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเลยอย่างวันนี้พวกเราก็ได้มาทำที่ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนกันเรามาทำบุญ เรามาระบาด้วยการรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วเราก็มาชําระความหยากด้วยการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมอันนี้แล้วคืองานที่แท้จริงของเราประโยชน์สุขที่แท้จริงของเราก็จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปอย่าไปทํางานอย่างอื่นให้เสียเวลา ถ้าเป็นงานถ้าเป็นสิ่งที่วิเศษจริงเป็นสิ่งที่คุ้มครองรักษาจิตใจของพวกเราได้จริงพระพุทธเจ้าจะไม่สละราชสมบัติพระพุทธเจ้าก็จะอยู่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะน่าเป็นกษัตริย์ต่อไปเป็นถึงพ้ามหาจั ก, กรพรรดิได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถมีสติปัญญา มีความรู้ความฉลาดที่สามารถที่จะทำให้ตนเองได้เป็นพระมหาจากักรพรรดินังที่มีโหรได้ทำนายไว้ในตอนที่ได้ทรงประสูติมาใหม่ๆพระราชบิดาก็ให้เรียกโหรมาหลายลายด้วยกันให้มาดูดวงของพระพุทธเจ้าว่าเด็กคนนี้โตขึ้นแล้วจะเป็นอะไรโหรทั้งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า มีทางไปสองทางด้วยกันคือหนึ่งได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิหรือสองได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระบรมรสาสดาของโลกแต่มีโหรอยู่คนเดียวที่ทำนายว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวแล้วก็เป็นปลายตามที่โหรคนนี้ได้ทำนายไว้เลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความหลงเหมือนพวกเรา ที่ยังหลงกับอำนาจวาสนายังหลงกับการเป็นใหญ่เป็นโตยังหลงกับการมีความล่ำความรวยอยู่นั่นเองแต่พระพุทธเจ้ากลับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้มีความทุกน้อยลงไปแต่กลับจะทำให้มีความทุกมากลงไปสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ทำให้มีความสุขมากขึ้นไปแต่กับจะทำให้มีความสุขน้อยลงไป อันนี้แหละเป็นปัญญาของคนระดับพระพุทธเจ้าทะนั้นอย่างพวกเรานี้ไม่มีวันที่จะเห็นความทุกข์ในลาบยศสารเสริญในการเป็นใหญ่เป็นโตได้เลยเรากลับคิดว่ายิ่งเป็นใหญ่โตยิ่งเท่าไหร่ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีความทุกข์น้อยลงไปแต่ลองไปเป็นดูเข้าจริงๆแล้วก็จะรู้ถ้าเราเปรียบเทียบเรา เปรียบเทียบสมัยที่เราเป็นเด็กกับสมัยที lane, more, more, more, so ่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็เห็นความแตกต่างกันแล้วสมัยเราเป็นเด็กนี้ความทุกข์เรามีไม่มากความสุขเรามีมากกว่ากว่าสมัยนี้สมัยนี้ความทุกข์กับมีมากกว่าความสุขกับมีน้อยกว่าเพราะว่าเราใหญ่ขึ้นโตขึ้นพอใหญ่ขึ้นโตขึ้นมีความสามารถมากขึ้นก็มีความอยากมากขึ้น สมัยเด็กๆไม่มีความสามารถความอยากก็เลยไม่ออกมาแสดงรวดลายเพราะอยากไปก็ไม่ได้ก็เลยไม่แสดงออกมาเป็นเด็กก็เลยอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องกังวลกับการทามาหากินไม่ต้องกังวลกับการหาเงินหาทองถึงเวลาหิวก็มีกินถึงเวลาอยากจะนอนก็มีที่หลับนอนถึงเวลาเล่นก็มีก็เล่นได้ แต่พอโตขึ้นมาแล้วความอยากมันมีมากขึ้นเดียวนี้มันนอนกินกับนอนอย่างเดียวไม่พอมันต้องเที่ยวมันต้องมีของฟุ่มเฟือยต่างๆมาบำรุงบำเรอมันถึงจะมีความสุขแต่มันหารู้ไหมว่ามันเป็นความทุกข์เพราะจะต้องลิ้นลนหาเงินหาทองมาเพื่อซื้อสิ่งต่างๆมาและพอซื้อมาแล้วก็ไม่พออีก ต้องไปหามาเพิ่มอีกหามาเท่าไหร่ก็ไม่พออยู่อย่างนั้นความทุกข์ก็มีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ อ, อานาจของความอยากนี้เองนี่แหละยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งมีความอยากมากขึ้นยิ่งร่ำยิ่งรวยก็ยิ่งจะมีความอยากมากขึ้น ถ้าเราไม่มีเงินเวลดาระอยากซื้อรถยนต์นี้ซื้อคันถูกๆล้าก็มีความสุขแล้วซื้อรถเก่าก็ยังพอใจถ้าเราไม่มีเงินซื้อรถใหม่แต่พอมีเงินซื้อรถใหม่แล้วทีนี้รถเก่าขับไม่ได้แล้วต้องซื้อรถใหม่รถใหม่ก็ขอแบบราคาถูกๆไปก่อนแต่พอมีเงินเพิ่มมากขึ้นทีนี้รถใหม่ราคาถูกๆก็นั่งไม่ได้อีกแล้วขับไม่ได้อีกแล้ว ต้องซื้อรถใหม่ที่มีราคาแพงขึ้นไปอีกนะนี่แหละเป็นความอยากที่จะคอยสร้างความทุกข์ตามความลื่อมความรวยของพวกเรายิ่งรวยเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นทั้งนั้นแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอสมัยเด็กๆมีวันละสิบบาทก็อยู่ได้แล้วตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้ววันละ้อยก็ไม่พอใช้แล้ว วันละสองร้อยก็ไม่พอใช้ถ้ารวยกว่านี้วันละพันก็ไม่พอใช้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความอยาก <Yeah. S 1> แล้วมันก็จะทำให้เรานี้ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมารับใช้ความอยากของเราแทนที่จะอยู่เฉยๆมีความสุขก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องดินน้นรนหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาคอย สร้างความสุขให้กับใจพอได้มาแล้วก็ไม่พอใจต้องต้องหาสิ่งใหม่ออกมาอันนี้แหละเรากาลังถูกความอยากหลอกให้เรานิา่ินลนต่อสู้กับการหาความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์แต่เรามองไม่เห็นทุกข์เพราะเราจะต้องคอยตะเกีกตะกายคอยดิ้นลน คอยสแสวงหาเงินหาทองแล้วก็ต้องไปเสี่ยงกับการทำบาปทากรรมแล้วก็ตายไปก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่ออีกนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทากันถ้าเราอยากจะทาตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำแบบที่พระุทธเจ้าทรงกระทาก็คือต้องอยู่แบบมากน้อยสโดุ อย่าไปมากๆ ม, มากน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นเช่นกินข้าวก็กินพออิ่มก็พออย่า ก, กินจนจนภูมิกลางจนกายเป็นตุ่มไปอย่างนี้เรียกว่ามากมากถ้ามากน้อยก็กินพอให้ร่างกายอยู่ได้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องมีหลายตู้เสื้อผ้าก็มีสี่ห้าชุดก็พออยู่ได้ รองเท้าก็มีเพียงสี่ห้าคู่สองสามคู่ก็พอแล้วจะไปเอาอะไรมากมายบ้านก็ไม่ต้องเป็นขาราหบไม่ต้องเป็นวังเป็นที่อยู่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอที่เราจะได้อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีเงินซื้อก็เช่าเขาอยู่ไปก็ได้ไม่มีเงินไม่มีเงินเช่าก็ไปอยู่ตามใต้สะพานก็ได้ มีคนก็อยู่ใต้สะพานกันได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเรามีความมากน้อยแล้วเราจะได้ไม่ถูกความอยากหลอกให้เราไปทุกข์ไปเครียดกับการหาสิ่งต่างๆมาหามาแล้วก็เหมือนเดิมหามาแล้วก็ยังไม่อิ่มไม่พออยู่ดียังต้องดิ้นรนต่อไปอยู่ดีดิ้นินไปจนวันตายตายแล้วก็ต้องดิ้นไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาดิ้นหาเงินหาทาใหม่ นี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่ไม่กระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมีความมากน้อยสันโดษมากน้อยถ้าสันโดษก็หมายความว่า ย, ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้จะไม่พอเช่นเคยต้องกินอาหารหนึ่งจานแต่ถ้าได้มาครึ่งจานก็พอใจกับอาหารที่ได้มาเพียงครึ่งจาน ถ้าเรามีความพอใจแล้วเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความพอใจได้รับประทานสองจานสาจานก็ยังไม่พออย่างนี้ก็ต้องรับประทานเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะทก็จะเป็นโทษกับเราจะต้องดิ้นรนหาอาหารมากินมากจนเกิปไปแล้วก็ต้องมารักษาร่างกายที่มีโครคภัยไข้เจ็บจากการที่การรับ ยากการที่มีน้ำหนักมากเกินไปอันนี้เป็นเ่อนเพราะว่าเราไม่รู้จักการมีมากน้อยสันโดษนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องฝึกมากน้อยสันโดษพยายามเอา น, น้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นอย่าไปเอามากเกินความจำเป็นแล้วเราจะคุมความอยากไว้ได้ แล้วจะทำให้เราทำบุญได้เพราะเราจะมีเหลือเงินเหลือมาทำบุญถ้าเราไม่มีความมากน้อยสันโดษมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่มีเหลือที่จะมาทำบุญเพราะความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังของเงินทองที่เรามีอยู่แต่คนที่มีความมากน้อยสันโดษถึงแม้ว่าจะยากจนไม่มีฐานะร่ำรวย กับสามารถทำบุญได้แต่คนที่ไม่มีมั่น้อยสันโดดถึงแม้ว่าจะร่ารวยก็จะไม่มีเงินเอามาทำบุญเพราะจะคิดถึงแต่ซื้อสิ่งนั้นซื้อสิ่งนี้มาให้กับตนอยู่ตลอดเวลานั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติตามคำสอนของ พ, อพระพุทธเจ้าและรับประโยชน์จากการปฏิบัติเราก็ต้องฝึก ให้เรามีความมาักน้อยสันโดษอยู่ในตัวเราเมื่อเรามีความมาักน้อยสันโดษแล้วเราจะมีเงินเหลือมาทำบุญเราจะไม่ต้องไปทำบาปเพราะเราไม่ต้องดิ้นรนหาเงินแบบแบบเอาปเป็นเอาตายกันคือาาเท่าที่หาได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ไม่ไปทำบาปไม่ไปฆ่าใครไม่ไปโกงใครไม่ไปเบียดเบียนใคร เราก็จะได้ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายเราก็จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์เราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการไปติดคุกติดตารางแล้วเราก็จะได้มาหยุดความอยากด้วยการปฏิบัติธรรมได้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำถ้าเราอยากจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องฝึกให้มีความมักน้อยสันโดดอยู่ภายในใจของเราซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็ยนเลยขอให้เราใช้เหตุผลเวลาเราอยากจะได้อะไรเช่นอยากจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่ลองถามตัวเองว่าชุดเก่าๆที่มีอยู่นี้ใช้ไม่ได้หรืออย่างไรถ้าใช้ได้เราก็ใช้ของเก่าไปก่อนถ้าไม่ถ้าใช้ของเก่าเราจะต้องตายไปดูยป่า ถ้าใช้ของเก่าแล้วไม่ตายก็ใช้มันไปเถอดดีกว่าที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อของใหม่มาเพราะจะทำให้เราไม่มีเงินมาทำบุญแล้วก็จะทำให้เราต้องไปทำบาปกับการหาเงินหาทองคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีความมักน้อยได้มีความสันโดษได้แล้วเราก็จะทำบุญได้รักษาศีลได้ชาระความอยากชาระใจของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี่อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความมากน้อยสันโดษดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านมีแต่ความมากน้อยสันโดษทั้งนั้นไม่มีองไหนที่มีความมากมากจู้จี้จุกจิกอยากได้สิ่ง น, นั้นอยากได้สิ่ง น, นี้ท่านไม่เคยขออะไรจากใคร พระพุทธเจ้าสงสอนพระสรงห้ามพระไม่ให้ขออะไรจากใครปล่อยให้เขาให้มาตามอัทยาศัยนอกจากผู้ที่มีเจตนาปวารณาตัวไว้ก่อนหรือผู้ที่เป็นญาติเช่นบิดามารดาถ้ามีความจำเป็นจริงๆถึงค่อยขอเขาแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ขอให้ถูถไปอยู่ไปตามมีตามเกิดเกิด นี่คือศักดิ์สิทของนักบวชสังสีศักดิ์ศรีของพระพระถึงแม้ว่าจะอยู่แบบขอทานแต่ก็ไม่ขอทานแบบขอทานเวลาไปบิณฑบาตก็ไม่ไปขอให้เขามาใส่บาตรก็เดินไปตามเราแวกบ้างใครมีศรัทธาก็อยากจะใส่ก็ใส่ใครไม่อยากจะใส่ก็ไม่ขอต่างกับขอทาน ขอถานนี่จะไปเคาะประตูตามบ้านต่างๆเรียกเขาขอเขาขอเงินขอทองเขาพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระเป็นขอทานต้องการให้พระเป็นเศรษฐีถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีก็ต้องมีความมักน้อยสัมโดแ ล, ล้วรับรองได้ว่าจะไม่ไปขอเงินใครไม่ไปขออะไรจากใครอยู่ตามมีตามเกิดถ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปดีกว่า เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเกิดมาแล้วคนเราก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ขอให้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายแบบเศรษฐีคือไม่ขอเงินไข่อย่าไปตายแบบขอทานนี่คือการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการสร้างบุญสร้างกุศลที่พวกเราควรที่จะเรียบขุนขวายกัน เพราะว่าเวลาของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆอีกวันสองวันนี้ปีนี้ก็หมดไปแล้วแล้วต่อไปมันก็จะน้อยลงไปยิ่งน้อยลงไปถ้าเราไม่รีบทาเสียแต่แบบนี้เดี๋ยวเกิดเวลามันหมดไปเราก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปดังนั้นขอให้พวกเราพยายามดำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้เราคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ เพื่อเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อเราจะได้รีบมาทำบุญละบาปมาชำระใจของเราให้สะอาดกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยืดตึงไว้เพียงเท่านี้